๕ธันวาคืนที่ผ่านมาไอ้ดำมหาการเข้ามาวนเวียนอยู่ใกล้ปากถ้ำที่พักของเราข้าพเจ้าภาวนาให้มันโผล่ให้เห็นแต่ก็ผิดหวังกธันวาบัดนี้ เราสองคนไปกันอย่างปราศจากจุดหมายปลายทางเสร็จแล้วประมาณสี่ครั้งที่ข้าพเจ้าและตูเล่เห็นมันวกเวียนโผล่ลับล่อดักหน้าดักหลังอยู่ตามพุ่งไม้และก้อนหินรอบตัวเรายิงทุกครั้งที่เห็นแล้วมันก็หลบไปไม่มีร่องรอยว่ามันจะถูกลูกตื่นของเราเลยชีวิตของเราประทังอยู่ด้วยสัตว์เลือ้อยคานและน้ำจากโพรงไม้กลางคืนก็หลับนอนตามถ้ำแคบและซอกหินหลบภัยจากข้างคาวและตะขาบใหญ่ที่เลื้อยมาดุดเสียงพายุ เจ็ดถึงแปดธันวาหลายวันมาแล้วเราพ้นจากการรบกวนของลิงถีตะขาบและค้างคาวแต่เจ้าเสือดำใหญ่เป็นศัตรูลึกลับที่จ้องเราอยู่ทั้งกลางวันและกลางคืนแต่นั่นไม่สำคัญเท่ากับน้ำซึ่งจะฆ่าเราได้เร็วกว่ามาเรียหยุดชะงักการอ่านไปเฉยๆอีกครั้งหน้าขาวซีดลักษณะของหลอนได้รับความหวาดหวั่นตื่นตระหนกสุดขีดน้อยหลอนคลางแหบๆเอื้อมมือไปสกิดข่าดารินทำไมหรือเม่ เพื่อนสาวผู้คอยฟังอยู่ซักมาเร็วปือจับแขนไว้ไอ้ไอ้ผีตายพันปีตัวนั้นทำไมทุกคนร้องขึ้นเป็นเสียงเดียวกันอย่างตื่นเต้นมันโผล่ขึ้นมาได้บันทึกนี้แล้วมันทำความอัศจรรย์ใจให้แก่เครเมอร์และตูเล่ไม่น้อยไปกว่าที่ทำให้เรามงงานกันมาแล้วเสียงของแมมสาวสะทานสัน่นและท่ามกลางความตะลึงของทุกคนหล่อนก็อ่านข้อความช้าๆต่อมาอย่างพยายามผมสติ สิ่งแรกสำหรับวันนี้ที่เราจะทำก็คือสแสวงหาน้ำกินประมาณสิบนาฬิกาในกลุ่มโขดหินปริ่งเนินผาแห่งหนึ่งเราพบสิ่งประหลาดที่ไม่คาดฝันอีกชนิดหนึ่งมันเป็นศพตายซากของชายร่างสูงศีสะโล้นเกลี้ยงแต่งกายในลักษณะนักบวชมีลูกประคำแขวนคอ นั่งพิงนิ่งอยู่กับก้อนหินดักหน้าทิศทางที่เราจะเดินผ่านไปข้าพเจ้าตรวจดูแล้วอยากจะลงความเห็นว่ามันเป็นศพลักษณะอาบยาตายมาแล้วนับพันปีแต่สันนิษฐานโครงรูปไม่มีส่วนใดชำรุดบุบสลายไปสภาพของมันแกล่งเหมือนหินมันมาจากที่ใดและมานั่งพิงก้อนหินอยู่ได้อย่างไรตั้งแต่เมื่อไหร่เป็นสิ่งที่เราคิด ข้าพเจ้ากับตูเล่พยายามค้นหาร่องรอยรอบด้านเพื่อจะพบว่ามีสัตว์ใดคาบมาจากที่ใดก็ไม่มีเขาเงื่อนทั้งสิ้นลักษณะของซากที่มาตั้งอยู่น่าจะเป็นรอยที่มาตั้งอยู่ใหม่ๆไม่ใช่ที่เดิมอันควรจะอยู่ของมันเป็นนานปี แต่ข้าพเจ้าก็อยากจะเชื่อว่าสัตว์ใหญ่ประเภทกินเนื้อคงลากมันมาจากสุสานโบราณที่ใดที่หนึ่งอาจมีอาณาจักรหรือนครในโบราณกาลซึ่งถล่มล่มไปเมื่อเป็นหมื่นหมื่นปีอยู่ในละแวกใกล้เคียงก็เป็นได้ความหิวโหยความร้นแค้นและเหน็ดเหนื่อยทำให้เราไม่มีโอกาสจะสนใจอะไรกับมันมากนะักเราผ่านมันไปเหมือนผ่านต้นไม้หรือก้อนหินก้อนหนึ่ง 14นาฬิกาเราพบแหล่งน้ำมวกในหลา่พาของเขาอีกลูกหนึ่งด้านตะวันตกแต่พระเจ้าลิมแหล่งน้ำมวกนั้นซากศพแห้งเกิกของชายนักบวชที่เราพบมาเมื่อ4ชั่วโมงที่แล้วในลักษณะนั่งเช่นเดิมตูเร่ตกใจสุดขีดจะวิ่งไปอย่างหมดสติแต่ข้าพเจ้าไวพอใช้ขาปัดขาเขาให้ล้มลงและยึดตัวไวมั่นใช้เวลาอยู่พักใหญ่กว่าจะเป่าขวัญให้เจ้าพานขชิ่นสงบลงได้ ดาวรินกับชายยันร้องอะไรลั่นออกมาคำหนึง่งตื่นตาโพรงในขณะที่เช่ถาก็อ้าปากค้างเพราะข้อความที่มาเรียแปลออกมาแล้วผินภัยวันขยับตัวจากท่าที่นั่งพิงก้อนหินขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อนเข้ามาใกล้วงของเจ้านายแล้วเขาก็เตือนให้มาเรียอ่านต่อไปด้วยน้าเสียงเรียบสงบปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือ ซากได้มาปรากฏดักหน้าเราอยู่ณที่แห่งใหม่อันห่างไกลจากที่เราค้นพบครั้งแรกนี้ได้อย่างไรบันทึกเล่ม น, นี้จงเป็นพยานเถิดข้าพเจ้าได้ตรวจดูอย่างถี่ถ้วนแล้วมันเป็นซากของศพเดียวกันแน่ๆข้าพเจ้าเอาส้นปืนกระทุ้งมันลงไปนอนตะแคงกงโก้อยู่กับพื้นมันมีสภาพเป็นไม้ท่อนหรือแท่งหินก้อนหนึ่งแน่แท้หาใช่สิ่งที่มีชีวิตหรือมีสิ่งใดที่ทําให้มันเคลื่อนไหวพาตัวเองได้ไม่จะว่าสัตว์เป็นต้นเหตุก็มองไม่เห็นเหตุผล เพื่อขอจัดปัญหาอันหาคําตอบไม่ได้นี้ข้าพเจ้าตัดสินใจที่จะทําลายซากของมันเสียเราช่วยกันไปหาไม้เพื่อมากองสุมเป็นฟืนเผาซากประหลาดเราเดินหาฟืนห่างจากซากของมันไปในระแวกไม่เกินห้าสิบหลาเวลาห่างประมาณสิบนาทีเมื่อเราย้อนกลับมาให้นรกสาบเถอะไอ้ศพตายซากอันตรธานไปเสแล้วมันหายไปอย่างไม่มีร่องรอยใดๆทั้งนั้นหายไปเหมือนกับว่ามันได้ลุกขึ้นในระหว่างเราเักไปหาฟืนแล้วย่องหนีไปฉะนั้น เราช่วยกันค้นสุดความสามารถแต่เราก็ไม่พบมันไม่ได้คําตอบใดๆเลยดาริ น, น่าข่าวซีดเหมือนจะเป็นลมรืมฝีปากมุกมิบคล้ายจะพูดอะไรแต่ไม่มีเสียงใดลอดออกมาชา ย, ยันแทบจะกระโดดลุกขึ้นด้วยความตกใจเช็ถากับรันใหญ่เท่านั้นที่ควบคุมสติระงับความตื่นเต้นเราคนที่สุดที่จะอัดจานใจไว้ได้อย่างสงบ บันทึกของเคลเมอร์ให้ประโยชน์แก่เราอย่างมากมายทีเดียวผู้กองอย่างน้อยที่สุดมันก็ดูเหมือนว่าจะเป็นการตอบข้อปัญหาที่พวกเราพากันงงอยู่จากสิ่งที่เขาเผชิญมาแล้วคราวนี้ทุกคนเชื่อฉันหรือยังว่าไอ้ผีตายซากตัวนั้นมันเคลื่อนไหวด้วยตัวของมันเองได้บันทึกของเครเมอร์เป็นการยืนยันได้ดีที่สุดดารินพูดอย่างยากเย็นอาการของหลอนหวาดสยองพลั้นพึงขีดสุดจ อ, จอมจอมันอึง้งม่านตาหลียลงหน้าของเขาเต็มไปด้วยรอยย่นอันคล่ำเครียด เรายังลงความเห็นสรุปอะไรลงไปไม่ได้แน่นอนหรอกครับตราบใดก็ตามที่ยังไม่ได้พิสูจน์ชัดกระตาของตนเองชนิดคาหนังคาเขาในที่สุดเขาก็เอ่ยขึ้นอย่างระมัดระวังแต่ถึงอย่างไรก็ตามโดยสิ่งที่เราพบกันมาแล้วเกี่ยวกับซากศพประหลาดนั่นเพิ่มเติมกับรายงานของเครเมอร์ที่เราค้นพบโดยบังเอิญนี้ผมก็ยอมเห็นด้วยในข้อที่ว่ามันเป็นเรื่องลึกลับน่าคิดเหลือเกินแวดล้อมรอบตัวเราขณะ น, นี้มันล้วนเต็มไปด้วยสิ่งอันผิดธรรมชาติและก็ดูคล้ายจะเป็นศัตรูต่อเราทั้งนั้น ในสมัยของเครเมอร์มันหายไปได้ยังไงเพียงแค่สองคนนั่นเดินคล้อยหลังเพื่อจะไปหาฟืนมาเผาซากของมันทิ้งเสียแล้วก็ในสมัยเราคือไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี่แหละมันก็ได้แสดงปรากฏพิสดารแบบเดียวกันนั้นขึ้นอีกเราจะไม่รู้เป็นอันขาดว่าปรากฏการพิลึกพิลั่นชนิดนี้ได้เกิดขึ้นมาก่อนถ้าไม่ได้พบบันทึกของเครเมอร์เล่มนี้ชัยยันว่า ทุกคนอยู่ในภาวะที่จะต้องช่วยกันขบปัญหาเฉลยปริศนาออกมาให้ได้ว่าสิ่งผิดปกติวิกฤนั้นเกิดขึ้นได้ในลักษณะไหนมันเป็นปัญหาที่ขนหัวลุกครั้นแล้วต่างก็หวนึกไปถึงความเชื่อมั่นและก็ยืนยันอย่างขันแข็งของดารินในเรื่องที่ว่าหล่อนได้เห็นชายลึกลับโผล่หน้าอยู่ในซุ้มถาวรและจาได้ว่าเป็นใบหน้าเชิดเดียวกับซากที่ลงไปนอนแช่อยู่ในแอ่งน้าที่พบภายหลังห่างกันเพียงชั่วโมงเศษ เมื่อช่างน้ำหนักเปรียบเทียบดูกับบันทึกของนักสำรวจในอดีต ท, ที่เขียนเล่าความไว้มันก็ยิ่งเป็นหลักฐานให้น่าเชื่อได้ว่าศพตายซากนั้นมีปาฏิหาริย์เคลื่อนที่ไปได้ด้วยตัวมันเองอย่างลึกลับที่สุดระยะมันห่างกันถึง40กว่าปีปรากฏการชนิดนี้เกิดซ้ำขึ้นอีกกับกลุ่มนักสำรวจยุคใหม่ที่ล่วงล้าแดนเข้ามามันคืออะไรกันแน่ โชคดีเหลือเกินที่ทั้งกลุ่มจำเป็นจะต้องใช้ภาษาอังกฤษและมีมาเรียเป็นบุคคลกลางสำหรับการแปลข้อความภาษาดานิชของผู้ตายดังนั้นพวกผ่านพื้นเมืองที่นั่งเงียบหูคอยจับปังข้อสนทนาหารือของคณะนายจ้างจึงไม่อาจทราบข้อความได้หากไม่เช่นนั้นคงจะเกิดความตื่นเต้นอโบานขวัญหนีดีฟอกันไปหมด บุญคมขยับเข้ามานั่งใกล้ผ่านใหญ่อาปากจะสอดถามเพราะความอยากรู้อยากเห็นในบันทึกของคนตายนั้นแต่ก็ต้องหุบปากสนิทลงเพราะรพินโบกมือไล่แกให้ถอยห่างออกไปก่อนในระหว่างที่ถกเถียงกันเองในกลุ่มหัวหน้าอย่างเคร่งเครียดหนะักอึง้งคิดให้ดีเครเมอร์กับตูเล่เดินผ่าไปเพื่อต้องการหาฟืนมาเผามันเสียจะเป็นไปได้ไหมที่มันจําเป็นต้องหลบหนีก่อนที่จะถูกสองคนนั่นชาปนกิจชายันพยายามคิดค้นคําตอบ ก็แล้วถ้าเป็นเช่นนั้นมันไปดักข้างหน้าให้เห็นอยู่ทําไมเชิดาขอคําอธิบายต่อหลอกล้อนะสิคะพี่ใหญ่ไอ้ผีนั่นมันลหลอกดารินโพร่องออกมาด้วยถ้อยคําซึ่งหล่อนเองก็ไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะพูดอะไรที่สมัยก่อนตอนเองเห็นว่าเป็นเรื่องเลวร้ายที่สุด ศพตายซากนั้นเป็นวัตถุที่มีตัวตนไม่ใช่ปรากฏการณ์ของวิญญาณมันจะหลอกหลอนได้อย่างไรพี่คิดว่ามันน่าจะมีอะไรเกี่ยวพันกับเสือใหญ่ตัวนั้นแน่ๆเราจะสังเกตเห็นได้ว่าทั้งเราและเครเมอร์พบทราบนั้นในเวลาเดียวกันกับที่พบเสือโคร่งดำเข้ามาวนเวียนป้วนเปีป้ย น, นอยู่ใกล้ๆต่อมาพบกับปรากฏการณ์ลึกลับของซากคนตายเก่าแก่ซากนั้นบางทีหัวหน้าคณะวิเนียะนิดหนึ่งเม้มริมฝีปากเปลี่ยนสายตาไปจับจ้องอยู่ที่จอมผ่าน เสือตัวนั้นน่าจะเป็นต้นเหตุให้สกเคลื่อนที่ก็ได้เป็นต้นว่าตัวมันคาบย้ายหรือยังไงละพินระหว่างที่พานใหญ่นิ่งเพราะจนต่อคำถามชั ย, ยันกลับมาเวียกก็แย้งส่วนขึ้นพร้อมกันเพื่ออะไรที่มันจะต้องคาบสกย้ายไปย้ายมาอันเประจากความหมายนั้นมาคอยตั้งดักหน้าเราและเคลมเมอร์ช่ยถามพยายามสันนิษฐานต่อไปแต่แล้วก็ต้องสั่นหัวอย่างจนปัญญา เราก็ได้แต่ช่วยกันเดาในทุกทุกทางเท่าที่คิดว่ามันควรจะเป็นไปได้เป็นการหาสมมุติฐานเพื่อ น, นำไปสู่ QED แต่เมื่อคิดไปถึงคำถามอย่างนี้ก็ตอบไม่ถูกเหมือนกันอาจจะเป็นการบังเอิญก็ได้กำลังที่ไอเสือตัวนั้นมันเที่ยวได้คาบศพตายซากตะเวนไปทั่วป่า บังเอิญหรือที่มันจะต้องคอยคาบอยู่อย่างนี้จาก40ปีก่อนมาจนกระทั่งถึงเดี๋ยวนี้ถ้ามันจะคาบมาเพื่อกินเป็นอาหารมันก็มีโอกาสอันนานนมที่จะแทะซากนั้นให้หมดสิ้นไปไม่เหลือแม้แต่กระดูกแต่ถ้าแม้ว่ามันกินศพนั้นไม่ได้อันเนื่องจากสภาพที่แกล้งเป็นท่อนหินมันก็น่าจะทิ้งไม่น่าจะสนใจนานแล้วเหมือนกันเคลเมอร์เองก็ยังยืนยันในบันทึกของเขาไว้มองไม่เห็นร่องรอยว่าจะมีสัตว์ใดเป็นพาหะนํามันเคลื่อนที่ทั้งการพบครั้งแรกและครั้งที่สองที่เคลเมอร์พบนั้นผิด กับเรานิดเดียวอีกตรงที่มันไม่ได้ลงไปนอนแช่อยู่ในแองน้ําซึ่งเราหวังจะได้ดื่มกินและเราก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะทําลายซากของมันเพราะผ่านความสนใจไปเสียที่มาพบมันหายไปก็เพราะเหตุการณ์บังเอิญอย่างที่แล้วส่วนเคลเมอร์กับตูเล่พอพบเข้าอีกครั้งก็รู้สึกในความผิดปกติธรรมชาติได้ทันทีจากเหตุผลสิ่งแวดล้อมจึงคิดจะทําลายซากของมันเสียแต่แล้วก็ต้องผิดหวังอันเนื่องมาจากมันนกรู้ทำตัวให้หายไปซะก่อนการหายไปของมันทําให้ความประหลาดใจให้เคลเมอร์ ในครั้งนั้นเท่าเท่ากับเราในครั้งนี้ทุกอย่างพวกเราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นปัญหาอะไรนะักถ้าไม่ใช่เพราะมาพบบันทึกยืนยันในประวัติศาสตร์ซ้ารอยเข้าคาพูดของชั ย, ยันชี้ยิ่งเห็นความลึกลับซับซ้อนมีเงื่อนงมแต่ก็ยังไม่ได้ช่วยคลี่คลายอะไรออกมาเลยถูกแล้วถ้าเสือตัวนั้นเป็นตัวการคาบศพเคลื่อนย้าย ซึ่งมักจะมาวางไว้ดักคณะเดินทางอยู่เสมอมันจะมีเจตนาอะไรที่ต้องการทําเช่นนั้นจะว่ามันเป็นเสือผีสิงมีเจตนาที่จะหลอกหลอนขย่าประสาทของคณะเดินทางโดยการลากเอาผีตายซากซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับกรณีมาวางคอยตั้งให้ดูมันก็จะต้องทําเช่นนั้นเพื่อประโยชน์อันใดขึ้นมาในเมื่อมันเองก็จ้องที่จะเล่นงานกลุ่ ม, มนุษย์ด้วยเคี้ยวและเล็บอยู่แล้วโอกาสที่จะคอยมัวลากซากไปดักหน้าตลอดจนระยะเวลากระชั้นชิดติดพันที่ย่องมาคาบขโมยนี้ไปอีกเมื่อคอยหลัง เพียงหลักหลับย่อมควรจะเป็นโอกาสที่มันบุกเข้าจู่โจมซะเลยไม่ดีกว่าหรือการที่มันย่องเข้ามาคาบศพไปได้เมื่อเคลมเมอร์กับตูเลข่คข้อยหลังเล็กน้อยก็ดีหรือในระยะที่คณะเดินทางชุดนี้เดินผ่าไปจากศพเพียงเล็กน้อยตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อชั่วโมงที่แล้วก็ดีนั่นคือจังหวะอันดีเลิศที่มันจะกระโจนเข้าใส่ไม่น่าจะเพียงแค่ย่องเข้ามาหวังคาบศพไปอย่างเดียวเท่านั้นซึ่งปราศจากเหตุผลจะถูกเถียงคบคิดกันเช่นไรคําตอบก็ยังมืดมนอยู่เช่นนั้น เรามัวมาตกใจแล้วงงอยู่กับปัญหาลึกลับอันนี้ก็ทำไมคุณไม่อ่านบันทึกของคนตายต่อไปเมเราอาจจะได้หลักฐานอะไรเพิ่มขึ้นก็ได้เระพิงภัยวันเตือนขึ้นด้วยเสียงห้าวลึกมาเรียปฏิบัติตามคำสั่งโดยเร็วเราผ่าออกจากแหล่งน้ำมั่วแห่งนั้นภายหลังจากนั่งสงบสติอารมณ์อยู่พักใหญ่ แล้วก็เดินรุดหน้าต่อไปเพื่อสแสวงหาที่ปลอดภัยสําหรับพักนอนในคืนนี้ท่ามกลางความวืตกและเป็นนาอันสุดที่จะคบได้นานาประการที่สุดก่อนมืดเล็กน้อยเราก็เลือกได้โพรงไม้ใหญ่ก่อไฟกันไว้ที่ปากทางเข้าด้านหน้าซึ่งเราจะต้องระวังภัยที่จะข้ามมาทางด้านนั้นได้ด้านเดียวตูเล่หลับไปแล้วด้วยความอ่อนเพลียข้าพเจ้ายังนั่งบันทึกข้อความนี้อยู่แล้วก็จะสวดมนต์ขอพรคุ้มครองจากพระผู้เป็นเจ้าภายหลังจากหยุดเขียนบันทึก ราธีสวัสดิ์เจ้าเพื่อนยากขอให้ฉันได้จับปากกาเขียนข้อความลงไปบนหน้ากระดาษของเจ้าได้ใหม่ในคืนพรุ่งนี้อ่านจบภรยาไม้ของด็อร์ฮอฟมันก็เหงื่อยหน้าขึ้นข้อความสุดท้ายในสมุดบันทึกนี้หมดสิ้นลงไปยียงแค่นี้นี่คงจะเป็นคืนสุดท้ายที่เขาและตูเล่มีชีวิตอยู่สันนิษฐานว่าพอรุ่งขึ้นเขาก็เดินทางหลงเข้าไปในดงเถากินคนและจบสิ้นชีวิตลงหมดโอกาสที่จะเขียนอะไรต่อไปได้ ทั้งกลุ่มนิ่งขึงไปด้วยความสลบใจการเข้าใจและรับรู้ได้จากข้อความที่คนตายได้เขียนไว้มันเหมือนกับว่าได้มองเห็นภาพของเครเมอร์มาปรากฏให้เห็นอยู่ตรงหน้ามีความสนิทสนมกุ้นเคยและเป็นกันเองยิ่งรปนหนึ่งว่าวิญญาณของนักสำรวจชาวเดนมาร์กที่ล่วงลับไปแล้วเมื่อ40สิปีโผล่ขึ้นมาบรรยายข้อความที่เขาได้เผชิญให้แก่คณะนี้ฟังด้วยตัวเอง ขอให้เพื่อนจงไปสู่สุขติเถิดข้อความในบันทึกของเพื่อนเราทั้งหมดได้รับทราบแล้วเท่าที่มันจะเหลืออยู่และอ่านออกได้อย่างน้อยที่สุดมันก็ให้ประโยชน์แกเราอย่างยิ่งพวกเราจะค้นคำตอบในปัญหาลึกลับที่เพื่อนไม่สามารถเข้าใจได้นี้เองเพราะขณะนี้เราก็กำลังเผชิญกับมันอยู่แล้วเช่นกัน ใช้ถากล่าวพืมพรรำทุกคนพากันสงบนิ่งเหมือนจะไว้อาลัยให้แก่เจ้าของบันทึกและคณะของเขาที่พากันสูญเสียชีวิตไปหมดก่อนที่จะบรรลุถึงสิ่งปรารถนาอะไรสักอย่างหนึ่งอันเป็นต้นเหตุให้พวกเขาพากันบุบบานดันด้นมาในครั้งกันนั้นไม่มีทางที่จะค้นจากบันทึกตอนต้นๆได้เลยหรือว่าพวกเขาเดินทางมาเพื่อประสงค์อะไรและมาจากด้านไหนจอมพานถามเบาๆมาเรียพริกบันทึกตอนต้นๆที่ติดกันเป็นปึกแล้วค่อยๆแกะออกให้เห็น ทุกคนเข้าใจว่ามันไม่สามารถจะอ่านได้เลยเพราะสภาพของกระดาษอันดำครัาขึ้นเต็มไปด้วยรารล้พินไม่เอ่ยคําใดอีกทั้งสิ้นแง้มมองไปยังราวป่าลักษณะประหลาดรอบตัวซึ่งอาบสัวยอยู่ด้วยแสงสนธยาการช่วยไรยเฟริลประจํามือลุกขึ้นพยักหน้าเป็นสัญญาณ น, นิดหนึ่งกับตะผ่านเท่าบุญคําและวทั้งสองก็พา ก, กันเดินดุ่มออกไปเงียบๆหยุดชะงักเล็กน้อยเมื่อเสียงทักของเชิดาตามหลังมาว่าจะไปไหนเราผู้กอง วเวลาก่อนข้าเล็กน้อยผมจะเดินสำรวจดูรอบๆหน่อยครับไปด้วยคนหัวหน้าคณะบอกสั้นๆกระโดดลุกขึ้นตามหลังเขา แล้วอีกสามคนก็พอยสมทบมาด้วยเพราะต้องการดูภูมิประเทศใกล้เคียงรอบด้านกลายเป็นคณะนายจ้างทั้งหมดสมัครใจที่จะสำรวจระแวกใกล้เคียงพร้อมกับตัวเขาโดยไม่มีใครย่อท้อเหน็ดเหนื่อยลางสังหอนในเพศภัยอันทํำนายไม่ถูกมันทําให้ทุกคนเต็มไปด้วยความตื่นตัวและเมื่อนั้นเองขยิ่นเสยและสางตาก็ตามมาเป็นพลนคงเหลือเพียงเกิดกับจันสองคนซึ่งแต่แรกก็อยากจะร่วมไปด้วยแต่รับคําสั่งจากพานใหญ่ให้อยู่เฝ้าแคมป์ ฉันจะไปละแวกไม่ไกลนักระยะตะโกนได้ยินฟรอบของและเตรียมฟืนไว้ให้มากเป็นพิเศษคืนนี้เขาบอกทั้งชุดพากันเดินย้อนลงทางเก่าตรงมายังแอ่งน้ํามูดได้เพียงเจ็ดถึงแปดก้าวอาการสังหอนประหลาดก็เกิดขึ้นในประสาสัมผัสของเชิดทาเป็นคนแรกเขาหยุดชะงักกึกต่อมาความรู้สึกชนิดหนึ่งก็กระทบใจของทุกคนโดยไม่ได้เอ่ยปากบอกกันเลยพากันหยุดไปหมดหันกลับมายังบริเวณแคมป์ซึ่งขณะนี้เกิดกับจันทสองคนกําลังวนบริใบตองแห้งกันอยู่ อดีตท่านทูตทหารบกมองตาจอม่านแล้วกระซิบ 10. เอผมว่าจะไม่เหมาะนะที่จะให้สองคนนั่นอยู่คมํากันตามลําพังเอาอย่างนี้ดีกว่าเมกับชัยยันจะไปกับรัฐพินก็เอาฉันกับน้อยคุณจะกลับไปอยู่กับสองคนนั่นเกิดอะไรขึ้นจะได้รู้เห็นระยะนี้เป็นระยะที่เราไม่ควรแยกจากกันเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกลุ่มใหญ่ทิ้งกลุ่มน้อยไว้เบื้องหลังผมก็คิดอย่างคุณชายเหมือนกันครับทางที่ดีให้ผมไปกับบุญคําเพียงสองคนดีกว่าทุกคนกลับไปที่แคมป์เดี๋ยวเดียวเท่านั้น ก็ไม่เข้าท่าอีกเหมือนกันเพราะเป็นห่วงนะสิพวกเราถึงได้ตามคุณมาด้วยนี่ชา ย, ยันขัดขึ้นโดยเร็วหว่งที่ยืนลังเล ก, กันอยู่มาเรีย ก, กยกตุ่มลูกเลื่อนของไรเฟิลในมือที่ทำเป็นรูไว้ขึ้นเป๋าเป็นเสียงแหลมยาวเรียกเกิดกับจันที่กำลังนั่งคุยกันอยู่ให้เหงืนหน้าขึ้นมาแล้วโบกมือเรียกผังบอกคำนัาพักว่าฉันตัดสินใจให้เองเรียกสองคนนั่นมาด้วยเราไปด้วยกันทั้งหมดนี่แหละ จริงด้วยเอางั้นดีกว่าดาวดินรีบสนับสนุนมาโดยเร็ว2องพานวิ่งถือปืนหยอะๆเข้ามาอย่างไม่รู้เรื่องหล่อนก็บอกว่าไปกับพวกเราไม่ต้องเฝ้าแคมป์หรอกนั่งอยู่สองคนไปเดี๋ยวผีหลอกเกิดกับจันวินแ ย, แย่ๆแล้วคณะทั้ง11คนก็เกาะอุ้มกันเดินไปเป็นขบวนชา ย, ยันอดเราะไม่ได้คิดที่ดูก็น่าขำเหตุการณ์มันทําให้พวกเรากลายเป็นคนตาขาวขี้ขาดไปหมดแล้วก็พักผ่าเถอะถ้ากลับมาไม่เห็นข้าวของหรืออยู่ที่นั่นสักชิ้นเดียวมันคงสนุกที่ลิก ของหายไม่เป็นไรอย่าให้คนหายก็แล้วกันเช็ถาต่อ จอมพานเดินเลาะดูแอ่งน้ํำมูอีกครั้งแล้วตัดไปตามป่าหินสลับพุ่มไม้เตี้ย อ, อ, อ, อันคำนวณได้ว่าเจ้าเสือยักษ์ตัวนั้นบ่ายหน้าไปหนทางเดินมันกว้างขวางไม่จํากัดทุกคนเลือกเตือนกระจายแผ่เป็นหน้ากระดานเพื่อช่วยตรวจตราครั้นแล้วไม่เกิน20ลาเบื้องหน้านั่นเองก็ถึงหนทางลาดชันขึ้นไปสูงเนินตอนหนึ่งอุดมไปด้วยกรวดสีดําก้อนเขื่องๆแล้วพินเดินเรียบใกล้เข้าไปสังเกตลาดเราอยังไม่แน่ใจอะไรนะักอาการของเขาครั้งแรกเหมือนจะเฉียดผ่านเลาะ อ, อ้อมไปตรงระหว่าง ป่าหินแต่แล้วทันทีนั้นสายตาอันคมไวของจอมพานก็แลบปาดไปพบกับร่องรอยอันชวนสะดุดใจเข้าชนิดหนึ่งเขาหยุดชะงักแล้วตรงเข้าไปดูโดยเร็วเกรดอันตกคุมอยู่ยังเนินเทลาดนั้นปรากฏเป็นทางถลายลื่นลงมาระยะยาวประมาณสองเศษจากระดับแง่หินที่งอกสลับอยู่เหมือนขั้นบันไดธรรมชาติรอยบุ๋มที่อยู่บนดินดมตำแหน่งสุดท้ายของรอยทางลื่นนั้นลักษณะเป็นส้นเท้าของมนุษย์ กลุ่มนายจ้างและผ่านพื้นเมืองเข้ามาถึงในเวลาติดติดกันแล้วก็จ้องนิ่งอยู่อย่างหลักฐานที่แล้วผิดสุดลงนั่งพิจารณานั้นสายตาเท่านั้นที่เป็นคําถามกันอยู่ไปมาผ่านใหญ่ยังสงบนิ่งค่อยๆ่อยเบนสายตาก็สํารวจทวนรอยเหล่านั้นขึ้นไปยังบริเวณหลายตอนหนึง่งอันไม่สูงขึ้นไปเท่าไหรนักมีกอภผยใหญ่ขึ้นปกคลุมอยู่กลอนึงแล้วซุบซิบกับบุญคําซึ่งนั่งยองหองอยู่ใกล้ใก ดารินสะกิดแขนมาเรียในฐานะคร่มบอดกว่าในด้านการอ่านรอยแม่มสาวก็รู้ใจเอียงริมฝีปากเข้ามากระซิบข้างหูมีคนคนหนึ่งเดินลงมาจากเนินนั่นเหยียบแง่หินพลาถลายลื่นลงมาช่วงสั้นๆตรงรอยบุ๋มที่จิกติดพื้นรู้สึกว่าจะเป็นรอยส้นเท้า ความหวาดกลัวอยู่แล้วทําให้ราชาสกุลสาวสะบัดร้อนสะบัดหนาวใจหายวูบขึ้นมาทันทีใครหล่อนถามเบาๆในที่สุดใครจะบอกได้ทุกคนเห็นรพินค่อยๆเหยียบแง่หินขึ้นไปก่อนตามติดด้วยบุญคําทางขึ้นมันไม่ลําบากอะไรนะเพราะมีแง่หินงอกให้เหยียบขึ้นไปได้เป็นระยะคณะนายจ้างสะกดความกังวนกวายอยากทราบรหัสนั้นไว้โดยไม่มีใครเอ่ยถามรพินขึ้นให้เสียเวลาแต่ไต่คืบตามขึ้นไปอย่างเบากลิบอย่างรู้ชั้นเชิงกันดีแล้ว อึดใจเดียวต่างก็บรรลุถึงโคนกอไผ่ใหญ่ซึ่งสูงกว่าระดับยืนเดิมขึ้นมาเพียงไม่เกิน20ิฟุตลำไผ่ต้นหนึ่งมีรอยถูกมีดตัดขาดล้มลงอยู่กับพื้นทั้งหมดมองเห็นได้ในทันทีที่ขึ้นมาถึงแล้วก็พลูกันเข้าไปดูโดยเร็ว ใครกันนี่ใครกันมาตัดต้นไผ่นี่ไว้รอยมันยังใหม่ๆอยู่เลยชายันร้องเร็วปือ้อนึกไม่ออกเลยครับว่าควรจะเป็นใครทีแรกผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้มันชัดแล้วจอมพานพูดแผ่วเบานั่งลงพิจรารณาดูต้นไผ่ตรงบริเวณที่ตุกตัดกอ่อออกเหมือนจะคํานวณหาส่วนอวบใหญ่ของลําต้นมันคุณหมายความถึงครับ เ้าแง่รายของเราแน่ถ้าเอากระบอกไม้ไผ่ที่บรรจุน้ำม่วงซึ่งวางตั้งให้เรากระบอกนั้นมาเปรียบเทียบดูกับขนาดของลำไผ่ต้นนี้มันจะประสานกันได้พอดีเขาพูดช้าๆขณะที่ลุกขึ้นยืนมองกลัดไปรอบๆระหว่างที่ทุกคนงงงันไปด้วยความแปลกใจ ผมนึกแล้วจะต้องมีคนเดินทางมาถึงแอ่งน้ำมวกนั่นโดยไม่จำเป็นต้องเดินผ่านดงเถากินคนและแง่ซายเลือกเดินมาทางนั้นแหละผ่านกอไผ่กอนี้แล้วตัดเอากระบอกไปตักน้ำมวกไปคอยดักวางให้เราพบเมื่อตอนเที่ยงที่แล้วรอยตีนที่เหยียบกลดวถลายลื่นไว้ทแท้ๆที่ทำให้เราสวนลอยขึ้นมาพบหลักฐานอันยืนยันนี้ได้ ช่วงขณะหนึ่งที่ทุกคนนิ่งเงียบภาพของเจ้าคนใช้ชาวดงผู้กลายเป็นตัวปริศนาลึกลับอยู่ในขณะ น, นี้ผุดขึ้นมาในห้วงคิดดารินพึมพำแผ่วเบาอะไรออกมาคำหนึ่งปิติยินดีขึ้นเมื่อได้เห็นร่องรอยขององค์คละค์ประจำตัวของหลอนแต่แล้วก็แปลไปเป็นความสลดเศร้าเงียบซึมไปเช็ดถาเอาหลังมือเช็ดเหงื่อที่ปลายคางแงซายมีมีติดตัวไปด้วยหรือ มีแน่นอนครับมีมีดเล่มหนึงขัดหลังประจำตัวมันอยู่ตลอดเวลาขณะที่มันหนีผะจากเราไปอย่างอื่นทิ้งไว้หมดก็จริงแต่มีดเล่มนั้นติดอยู่กับตัวถ้าเป็นางซ้ายก็หมดปัญหาไปถ้าไม่ใช่มันก็เป็นเรื่องที่จะต้องคิดสำคัญว่าคุณแน่ใจหรือชัยยันถามอย่างไม่แน่ใจนะ จากเหตุผลและหลักฐานเท่าที่เห็นนี่มันบ่งชัดร้อยเปอร์เซ็นต์นะโมกแหล่งนี้แหละที่แง่ายมาตักไปให้เราไผ่ต้นนี้จะต้องเป็นต้นเดิมของกระบอกที่ใช้สายน้ําและผมก็เชื่อว่าถ้าเราพยายามเดินสวนต้นทางขึ้นไปจะต้องพบร่องรอยที่แง่ายใช้เดินมาโดยไม่ผ่านดงเถากินคนมันจะต้องมีทางเดินอยู่บนเนินเขาลูกนี้แหละมันละนายไม่มีใครถ้ายังไม่พบรอยตัดไผ่นี่บุญคําก็ยังมีเสียวอยู่ว่าอาจจะเป็นรอยติงของไอ้ผีหัวโล้นนั่น บุญคำยืนยันหนักแน่นมาอีกคนหนึ่งโถในป่ามรณะที่เป็นศัตรูกับทุกชีวิตซึ่งจะล่วงล้ำเข้ามาเช่นนี้แงซ้ายซอกซอนด้านด้นไปเสมอด้วยสัตว์ป่าตัวหนึ่งจากเราไปแล้วแต่ก็ไม่ไหวจะหงอยใยผูกพันคอยให้การช่วยเหลืออยู่เป็นในในเขาจะมีชีวิตรอดอยู่ในลักษณะของผีป่าเช่นนี้ไปอีกนานสักเท่าใดนอดาวดินปารกขึ้นเศร้าๆน้ำตาคลอพานใหญ่ตอกคาโดยไม่หันมามองว่า เรื่องอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับแง่ทายไม่ต้องห่วงถ้าจะห่วงก็มีอยู่อย่างเดียวก็คือเราจะได้ตัวเขากลับคืนมาหรือไม่ก็เท่านั้นนี่เป็นปัญหาหนักที่สุดโปรดรู้ไว้ด้วยว่าขณะนี้แง่ทายเป็นส่วนประกอบของป่าอาถรร์นี้ไปซะแล้วไอ้บ้าเอ้ยชา ย, ยันรำพึงขึ้นบ้างในลักษณะด่ากวาดตามองไปรอบๆ มันคนเดียวแท้ๆที่ทําให้พวกเราทั้งหมดยุ่งยากกันอยู่แบบนี้อยากรู้เหลือเกินว่าตอนนี้มันไปหลบหัวซุกโครงอยู่ที่ไหนประเดี๋ยวพัดแช่งให้ไอ้เสือใหญ่นั่นเคี้ยวขอมองซะเท่านั้นจะบ้าบอคอแตกแหกคอกหนีไปก็ไม่มีใครคว่าหรอกน้อยนี่เสือขโมยเอาของสําคัญไปซะด้วยมันน่าเหยียบคอต่อนะักโอ้แงาซ้ายว้อยอยู่ไหนเอาแผนที่มาคืนว้ยแล้วเอ็งจะไปไหนก็ตามใจเอง็งครั้นแล้วอยู่ไม่อยู่ชา ย, ยันก็ป้องปากตะโกนเอ็ดอึงขึ้น ไม่ทันจะขาดเสียงอันเกิดจากอารมณ์ห้าวขนองของอดีตนายทหารปืนใหญ่นั่นเองก็ปรากฏเสียงอ้าวอึมดังสะท้อนกล้องไปหมดทั้งลูกกำปนาแห่งเสียงนั้นปานว่าก้อนหินและพุ่มไม้ไหวสะเทือนไปหมดประหนึ่งสื่อโครง20ิตัวร้องคำรามขึ้นพร้อมกัน พลานพื้นเมืองของรับพินทั้งหมดรวมทั้งขยินและสางปล า, ายหลังก้นกระแทกกับพื้นราวกับถูกใครผักดารินกับมาเรียพงะปปะทักกันไปชนก้อนหินเจ้าตัวคนตะโกนทำเสียงด้วยความขนองขึ้นเองบัดนี้ปืนพัดหลุดจากมือไปไม่รู้สึกตัวผมบนศีรษะแทบจะตั้งปลายชี้ชันเช่ถาวราริ์ก็เย็นตั้งแต่สมองลงไปถึงไขสันหลังยืนตัวแข็งตะลึงไปชั่วขณะจิตเหมือนหัวใจจะหยุดทางาน ท่ามกลางความโอกสันขวัญบินอันเกิดขึ้นอย่างกระทันหันไม่รู้เนื้อรู้ตัวนั้นทุกคนเห็นเงาของผานใหญ่กระโจนวูบไต่เนินขึ้นไปพร้อมกับไรเฟริลในมือที่กระชับในท่าพร้อมต่อการประจันหน้าเร็วจนเกือบดูไม่ทันหลบก้อนหินไว้อย่าตามขึ้นมาคอยยิงถ้าเห็นตัวเสียงจอมผานตะโกนและล่ำและลักมาแทบฟังไม่ได้สับและชั่วพลิบตาร่างเพลียวนั้นก็เห็นรับโขดหินใหญ่ลูกหนึ่งซึ่งงอกอยู่ด้านบนหายขึ้นไปบนไหลตะพักอันเป็นที่มาของเสียงนั้น มาเรียกระชากแขนดารินเพื่องอยู่ในอาการลืมตัวหมดสติถลาเข้าไปกำบังอยู่หลังก้อนหินก้อนหนึ่งชา ย, ยันก้มลงตะคุบจ600ในโตขึ้นอย่างลนลานเผ่นขาสันเข้ายึดปุ่มไม้เตี้ยเตีเต้ย เ, เบื้องหน้าใช่ถาประทับแมกนัมแอฟริกันจ้องพร้อมบังอยู่หลังกอไผ่ ส่วนพานทั้งนั้นก็วิ่งวุ่นกันอละมานแน่ละ่ะเสียงดังมาใกล้หรือเกินเหมือนกับว่ามันจะแผดเสียงคำรนอยู่เหนือศีรษะขึ้นไปนี่เองและไม่มีปาทึบอื่นๆมาเป็นที่กำบังอำพางตานอกจากหมู่หินและพุ่มไม้โปรงๆที่ขึ้นงอกเรียงรายอยู่เป็นระยะ และพินส่วนปาดขึ้นไปแล้วด้วยวิญญาณของจอมพานนาทีใดวินาทีหนึ่งข้างหน้านี้เขาจะต้องลั่นกระสุนและถ้าพลาดก็แปลว่ามันควรจะต้องโผล่เงาส่วนออกมาให้ทุกคนเห็นโดยไม่มีทางหลบไปด้านอื่นอีกทุกคนจ้องปืนด้วยมืออันสั่นระรัวตาเบิกโพงแทบไม่หายใจทั้งสิบกระบอกในที่ซุ่มต่างๆจะระดมแผดระเบิดขึ้นในทันทีที่เห็นอะไรพวดพาดส่วนออกมากระสันโบกันแค่กระสุนหมดตับ ร่างของผานใหญ่รับหายไปจากสายตาคู่ใหญ่ระยะนี้มันยาวนานเหลือเกินสำหรับความรู้สึกของอีกสิบคนที่คอยอยู่เบื้องล่างมันเงียบสนิทไม่มีเสียงกระตุกกระตากใดๆขึ้นทั้งสิ้นเงือแตกพักไปทั่วทุกกลุ่มคนของคณะ ครั้นแล้วเงาของละพินภัยวันก็โผล่ออกมาให้เห็นในทุกสายตาที่เฝ้าจับมองอยู่ด้วยความร้อนรุ่มกระสับกระส่ายแสงโพลเเพยยามนั้นทำให้ภาพเป็นเงาพร่าอย่างไรพิกลไม่ได้กล่าวคำใดทั้งสิน้นแต่โบกมือเป็นสัญญาณให้ทุกคนตามขึ้นไป คณะนายจ้างไหวตัวรถไลเฟิร์ลงแต่เสียงบุญคําตะโกนห้ามมากระหืดกระหอบยานายอย่าพึ่งขึ้นไปนั่นผ่านใหญ่หรือเปล่าก็ไม่รู้ได้เชษฐาผู้กําลังไตาตามอาการเรียกขึ้นไปเป็นคนแรกชนะเ ก, กือกทํำไมบุญคํานายนั่นนายหรือเปล่าตา่านเท่าจ้องตามไม่กระพริบไม่ตอบคําของเชษฐาแต่ตะโกนลั่นขึ้นไปฉันเองบุญคาขึ้นมาเถอะ ชา ย, ยันผู้หลบอยู่ใกล้ๆขยับตัวแต่บุญคำกดไหลไว้กระซิบอย่าเพิ่งนายทหารขอแม่ขีดไฟแช็กให้บุญคำหน่อยชา ย, ยันงงไปหมดแต่ก็ยังไม่มีโอกาสที่จะปริปากถามคำใดได้ทั้งสิน้นหลวงซิปโปออกมาส่งให้บุญคำรับมาแล้วพเพย์ตัวขึ้นควางซิปโปปิวขึ้นไปตกที่แทบเท้าของร่างนั้นนายขีดไฟแช็กขึ้นหน่อยขีดให้ดูสิ แกตะโกนสั่งขึ้นไปด้วยเสียงเฮี้ยมๆพร้อมกันก็ประทับปืนจ้องเล็งอย่างเตรียมพร้อมเกอร์ซิปบอกชยันมาว่าระวังจ้องปืนไว้นายทหารถ้าขีดไฟแช็กได้ก็ผ่านใหญ่ของเราถ้ามันไม่ยอมแต่ต้องไฟแช็กอันนั้นยิงทันที ระหว่างที่เช่ถากับชัยยันตะลึงไม่เข้าใจความหมายร่างนั้นก็ก้มลงหยิบซิปโต้ที่บุญคำโยนขึ้นไปให้ขีดเปลวไฟติดขึ้นแล้วโบกเป็นสัญญาณแต่ผ่านเท่าแห่งเขาอึมครึมถอนใจโล่งออกมาและแกก็เป็นคนแรกที่ล่นตะกายหินขึ้นไปถึงตัวเจ้านายเป็นคนแรกตามมาติดๆ ด, ด้วยคณะทั้งหมดบุญคำนึกว่าไม่ใช่นายซะแล้ว แกร้องอย่างดีใจผานใหญ่ไม่สนใจอะไรกับบุญคําก็เคยชินต่อการปฏิบัติตัวเพื่อพิสูจน์แบบผานป่าของบุญคําดีอยู่แล้วแต่ไหนแต่ไรมาแล้วในเวลาเดินป่าด้วยกันถ้าบาังเอิญอาการไม่แน่ใจขึ้นมาทีไรแกเป็นบังคับให้เขาจุดไม้ขีดหรือไฟแช็กให้ดูทุกทีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต่างคนต่างแยกกันไปคนละสายแล้วมาพบกันอีกครั้งในยามวิการกลางป่าซึ่งนั่นเป็นวิธีทดสอบตามแบบของผานป่าพื้นบ้านทั่วๆไป แต่เขาเองไม่เคยบังคับให้แกต้องจุดไม้ขีดขึ้นเพื่อสิพิสูจน์สักทีแมลว่าแกจะร้องตะโกนโวกเวกเดินตามมาในขณะที่นั่งห่างหรือนั่งซุ่มอยู่อย่างมากก็เพียงแต่เอาไฟใช้ส่องหน้าดูเท่านั้นขณะนายจ้างที่งงต่ออาการของบุญคาเมื่อครู่นี้ก็ผ่านความสนใจที่จะสอบถามไปเสียเพราะมีเรื่องที่ตื่นเต้นต้องการรู้มากไปกว่านั้นหลายเท่าทั้งหมด เมื่อตามขึ้นมาถึงร่างของระพินที่ยืนคอยอยู่ก็มองเห็นปากถ้าหินขนาดใหญ่ห่างออกไปเพียงไม่กี่ก้าวเต็มไปด้วยหินงอกและหินย้อยซึ่งเมื่ออยู่ข้างล่างเมื่อต่ำลงไปก็ไม่อาจมองเห็นได้ว่ามีถ้าอยู่บนนี้ว่ายังไงมันอยู่ที่ไหนต่างถามขึ้นเกือบจะเป็นเสียงเดียวกันแล้วก็สังเกตเห็นเขาหน้าพรานใหญ่เต็มไปด้วยริ้วรอยสมเทเหลือที่จะกล่าว มีปริศนาที่เราคบไม่แตกเกิดขึ้นอีกอย่างหนึ่งแล้วครับบดตามผล ม, มาทั้งนี้ช่วยกันพิจารณาหน่อยผมเห็นกับตาของตัวเองก็ชักจะค่อยเชื่อว่าตาฝาดไปหรือเปล่ารับผินพูดเคร่งเครียดแล้วเดินนำไปโดยเร็วอีกสิบคนพูกันเข้าไปในลักษณะครึ่งวิ่งครึ่งเดินในมือยังถือไรเฟิลในท่าพร้อมอยู่เช่นนั้นพอพ้นปากทาง อันบางระเกะระกะไว้ด้วยก้อนหินใหญ่น้อยสลับไปกับพุ่มไม้ย่อมย่อมใช่ฐาผู้ติดหลังพานใหญ่กระชันชิดเข้าไปบนคนที่สองก็แทบพงะหลังสัญชาตญาณทำให้ตวัดปืนขึ้นไหลในพิษตานั้นแต่ละพินดูเหมือนจะทายเหตุการณ์ถูกแล้วจับข้อมือไว้โดยเร็วอาการหยุดอย่างกระทันหันของหัวหน้าคณะ ทำให้อีกหลายคนที่สาวเท้าตามมาเบื้องหลังชนตะทะสุญนเซกันไปหมดทั้งกระโจนรับกับความตะลึงพลึงเพิดในสภาพที่ปากกดตะางาอยู่กับสายตาขยินกับสั่งปาลาร้องลั่นออกมาสุดเสียงขยับจะเพ่นไปอย่างหมดสติหวาดกลัวสุดขีดแต่บุญคำกับชัยยันคว้าคอกระชากไว้ได้คนละคนดำมาเมื่อมราวกับฐานห็นทั้งแท่งที่ปากฏอยู่ อย่างซอกเวิ้งริมคูหานั้นท่วงทีสูงใหญ่เท่ามาลูกผสมแต่ลักษณะของมันไม่ใช่ม้าเพราว่าเป็นเสือร่างนั้นสองขาหลังยืนอยู่กับพื้นสองขาหน้าเยียบเกาะ อ, อยู่บนก้อนหินเตี้ยๆลูกหนึ่งในลักษณะเอี้ยวคอหันศีรษะมาทางด้านหลังทำมืนมือมาแลดูกระด้างหยาบเท่าๆกับก้อนหินทุกก้อนอันเป็นส่วนประกอบของปากครูหาถ้ำประหนึ่งว่ามีใครมาแกะสลักหินไว้ทั้งลูกและโดยที่แท้จริงมันก็คือก้อนหินลักษณะประหลาดที่สุด